เรื่องกราบพระอรหันต์โดยธนกรเตมียบุตรหรือน้องปูนข้าพเจ้าอายุ13ปีเป็นนักเรียนโรงเรียนพดุงสิทธิพิทยาเมื่อข้าพเจ้าอ่านหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดเล่มหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นจบเล่ม ก็เกิดความตื้นตันใจจนน้ำตาไหลนึกในใจว่าข้าพเจ้าช่างโชคดีจริงๆที่ได้เกิดในยุคหลวงตามหาบวัวได้มีโอกาสไปกราบท่านพระเช่นหลวงตาหาไม่ได้อีกแล้วข้าพเจ้าจึงเกิดศรัทธาแรงกล้าที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ได้ไปพบและกราบหลวงตาด้วยตัวเองให้คนอื่นได้ทราบและร่วมอนุโมทนาบ้างเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม25งหหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เดินทางไปวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่บุญเพงกับปะโกพระอาจารย์ของข้าพเจ้าช่วงนั้นหลวงปู่ท่านไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังเมตตาสอนกรรมฐานให้ลูกศิษย์ทุกวันแล้วอยู่ๆลูกศิษย์ใกล้ชิดองค์หลวงตามหาบัวก็โทรศัพท์มาหาหลวงปู่บอกว่าหลวงตาท่านคิดถึงหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่ไปวัดป่าบ้านตา หลวงปู่จึงได้ชวนข้าพเจ้าและสิทธิ์คนอื่นๆไปด้วยกันข้าพเจ้าดีใจและเรล่มปีติที่สุดในชีวิตเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปกราบและทำบุญกับพระอระหันต์แห่งยุควันรุ่งขึ้นหลวงปู่พร้อมด้วยคณะสิทธิ์ซึ่งมีข้าพเจ้าและคุณพ่อก็เดินทางไปวัดป่าบ้านตาดพอไปถึงพระภิกษุเวรได้พาหลวงปู่และพวกเราไปยังกุฏิของหลวงตาซึ่งเป็นกุฏิไม้สองชั้น พระอุปถาของหลวงตานิมนหลวงปู่ให้นั่งก่อนเพราะในขณะนั้นพระอีกรูปกำลังถวายการนวดหลวงตาอยู่หลวงปู่หันมาสั่งข้าพเจ้าว่าอย่าส่งเสียงดังนะให้นั่งให้เงียบที่สุดเวลาผ่านไปหลายนาทีหลวงปู่ท่านก็ลุกขึ้นและหันมาสั่งข้าพเจ้าว่าอย่าตามมานะแล้วหลวงปู่ก็เดินจับเสาพยุงกายไม่ให้ล้ม ค, ค่อยๆเดินไปตรงที่องค์หลวงตานอนนวดอยู่ ข้าพเจ้าทั้งสงสารหลวงปู่ในทั้งดีใจจนน้าตาแทบไหลออกมาเมื่อเห็นหลวงปู่ทักทายหลวงตาหลวงตาท่านหันมามีสีหน้าดีใจแล้วหลวงปู่ก็เข้าไปช่วยนวดถวายหลวงตาข้าพเจ้าประทับใจภาพนั้นมากๆเป็นภาพของความผูกพันและความกตัญญูของครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าที่มีต่อองค์หลวงตาสักพัก หลวงปู่ก็เดินกลับมานั่งที่เดิมและบอกว่าหลวงตากําลังมาจากนั้นหลวงตาก็มานั่งพวกเรากราบท่านด้วยความปลื้มปีติหลวงตาท่านก็เปรย์กับหลวงปู่อย่างอารมณ์ดีว่าไม่เห็นตั้งนานคิดว่าตายไปแล้วผมกะจะส่งคนไปบางสุกุลท่านหมายความว่าท่านไม่ได้พบหลวงปู่นานแล้วไม่ทราบข่าวคราวหลวงปู่เลยหลวงปู่ตอบหลวงตาแบบคุ้นเคยและทันกันว่า ผมยังไม่ตายครับเดี๋ยวนี้หลวงตาลดชั้นลงนะครับหลวงปู่หมายถึงว่าสมัยก่อนหลวงตาท่านพักอยู่ชั้นบนของกุฏิแต่ตอนนี้หลวงตาพักอยู่ชั้นล่างแล้วหลวงตาท่านก็ตอบกลับแบบคมคายมากว่าอืมลดระดับชั้นเหลืออย่างเดียวลงดินเราคิดว่าเราจะตายทุกเวลาหลวงปู่ตอบท่านว่าหลวงตาตายไปก็ไม่มาเกิดแล้ว แล้วครูบาอาจารย์ทั้งสองก็สนทนาธรรมกันอยู่ครู่หนึ่งคณะสิทธิหลวงปู่และคนอื่นๆก็ตามมาสมทบตอนแรกหลวงปู่บอกคณะลูกศิษย์ว่านั่งรอที่ข้างๆกุฏิไม่ต้องขึ้นมาท่านเกรงจะเป็นการรบกวนหลวงตาแต่หลวงตาท่านเมตตามากท่านบอกว่าให้ขึ้นมานั่งข้างบนมานั่งใกล้ๆหลวงตาเนี่จากวันนั้นเป็นต้นมา คุณพ่อของข้าพเจ้าซึ่งไปกราบหลวงตาด้วยกันก็เปลี่ยนจิตใจจากเดิมที่คุณพ่อรู้สึกเฉยๆกับท่านแต่ไม่เคยมีจิตคิดปรามา ท, ท่านก็รู้สึกเสียดายที่ได้มากราบและมาเป็นสิทธิ์ของท่านช้าเกินไปคุณพ่อได้แต่ขอขมาลาโทษต่อองค์ท่านหลวงตาอยู่ในใจและรู้สึกว่าไม่มีพระองค์ใดเหมือนหลวงตามหาบัวเลยท่านเป็นพระอระหรันและแม้จะชรามากแล้ว ท่านก็ยังเสียสละทั้งเวลาและทั้งกายและใจเพื่อช่วยชาติคุณพ่อรู้สึกว่าได้มาพบกับครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์งดงามอีกอง์หนึ่งแล้วข้าพเจ้าคิดว่าคุณธรรมความดีของหลวงตาท่านมีบุญยญริศสามารถทำให้คนที่เคยมีความรู้สึกเฉยๆต่อท่านมาเคารพศรัทธาท่านจนสุดหัวใจได้หลังจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสองสนทนากันอยู่ครู่ใหญ่ หลายประโยคก็เป็นการพูดถึงภาระการช่วยสงเคราะห์โลกขององค์หลวงตาหลวงปู่บุญเพ่งและคณะสิทธ์ก็กราบลาหลวงตามหาบัวได้พบพระที่สุดยอดเมื่อกลับมาถึงกุฏิหลวงปู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมแล้ว ท่านก็บอกข้าพเจ้าว่าเราได้พาไปหาพระที่สุดยอดที่สุดแล้วนะจะหาใครเหมือนอย่างหลวงตาบัวยากนะน้อยคนจะเป็นได้อย่างหลวงตาบัวและหลวงตาเนี่ยท่านเข้าหายากนะถ้าเราไม่พาไปไม่มีโอกาสเจอท่านง่ายๆหรอกข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ไปวัดป่าบ้านตาดครั้งแรกก็ได้พบและกราบท่านข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระคุณความเมตตาของหลวงปู่ที่เมตตาชวนให้ไปด้วย หลวงปู่กล่าวต่ออีกว่ามีใครทําได้เหมือนหลวงตาบัวบ้างหลวงตาท่านนําทองคําและเงินที่คนเอามาถวายท่านเป็นพันๆล้านมอบเข้าคลังหลวงหมดท่านไม่เก็บไว้เลยสักสตางค์แดงเดียวเห็นไหมและตอนเราถ่ายรูปกับหลวงตาบัวเรายกมือไหว้ท่านนะเราไม่ทําอย่างนี้ง่ายๆนะถ้าไม่ใช่หลวงตาเราไม่ทําและหลวงตาบัวจริตท่านไม่ชอบยุ่งกับใครนะแต่ลูกศิษย์ชอบยุ่งหลวงตาบัวนะ่ะตาไหนท่านดี พราะท่านเป็นพระอราหันต์พันเอร์เซน์ล้านเปอร์เซนต์สังเกตไหมว่ามีพระพุทธรูปบนศาลาแค่ที่เดียวทําไมที่กุฏิท่านไม่มีพระพุทธรูปเพราะท่านไม่ยึดติดวัตถุท่านไหว้พระพุทธเจ้าและครูอาจารย์มั่นด้วยจิตข้าพเจ้าขอจบเรื่องที่ได้ไปกราบพระอาหารหันต์ผู้เลิศที่สุดในยุคนี้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยคุณพ่อบอกข้าพเจ้าให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าทำใดที่หลวงตามหาบัวบรรลุแล้วขอให้ข้าพเจ้าเห็นซึ่งธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดบทความโดยธนกรเตมียบุตรหรือน้องปูนสียงอ่านโดยโจโฉ